แมแ ม, แม่พวกวก็แอ บ, บขึ้นมาอัดขโมยมันสิงัดขึ้นมาอัดน้องจนจุกฉัล่างชันบนมันขึ้นไปคนขึ้นไปบกออมเส้นตั้งวังยังทุกข์จะตังเต็มกระปุกยังอัดเจ้าทุกทุกกระปุกแตกเลยเอาอะไร ก็เก่าจนงีเงามันก็เก็บมีโตมีอีเน็บมันก็เก็บเราะหงุกจัด เสือผ้าก็เก่าจนยี่เงามันก็เก็บมีโตมีดอีเน็บมันก็เก็บรอกงกจัดมาจ้องเอวคนนี้มันจะค้นเอาเยงขัด